จนานายามเช้าทำบาสวดมนเราก็เปล่งเสียงกันบทสว ด, ดอริยมรรคมีองค์แปดอริยสัตรูมากงงกา็กคือทางเดินองค์แปด ประการด้วยกันที่เป็นส่วนประกอบทำให้เราเดินทางสู่จุดหมายปลายทางก็คือความทุกข์มันลดลงหรือว่ามันไม่ทุกข์อีกต่อไปรถกระบะ บ, บันทุกมันก็ทุกข์ของหนักหลายตัน จิตของเราํำแบกของหนักควรแบกโลกมันก็ตันเหมือนกันจิตใจมันตีมันตันเช่นเกิดความหิวขึ้นมาต้องการแสวงหาหหยหิวโหวยโหย เกิดการแสวงหาเกิดความห่วงของของเราเราห่วงไว้หึงหึงห่วงห่วงหาหิวโหยเหี่ยวแห้งหมดกำลังใจจะจมานเหี่ยวมันแปบหมดกำลังเหี่ยวแห้งแห้งแรงแรงน้ำใจหดหูหมุดหิด หึกเหิมเกิดความหามจิตมันหามมันยังไม่สุขเกิดความหืนกลุ่มเนียกลุ่มปัญหาทั้งหมดของชีวิตเรามันมีน้ำหนักเรียกว่าอัตตาเกยนมาถฐานโยกทำตัวเองให้ทุกข์ให้ลำบากการมาสุขาริกายโยก ติดสุกเสพสุกวัตถุกรรมกุลต่างๆหิวหิวโหยแล้วก็จึงเห็นต้นเหตุต้นเหตุที่ทำให้เราต้องแบกอารมณ์แบบความทุกข์เกิดจากความคิด เรจึงเดินสู่นอมักมีองค์8เห็นเห็นให้ถูกมีความเห็นมันเป็นปัญญาเห็นถูกของเป็นปัญญาไม่ใช่ปัญหาเห็นแล้วทะลุทะลวงเมื่อวานตอนเย็นได้เปิดสื่อหลวงพ่อเครียรให้ฟังความสึกตัวเเป็นทั้งญาณเป็นทั้งฌานเป็นญาณก็คือคนส่ง ้อรถยนต์มันหมุนได้มันไปข้างหน้ามันเป็นยานยนต์ยานพาหนะมนุษย์ได้ผลิตจากกลืนมาเครื่องยนต์มีพลังทำให้ล้อหมุนขับเคลื่อนไปแกนกลางนิ่งแต่ว่าภายนอกมันหมุนมันจึงเป็นการเคลื่อนมันญาณขนส่ง มันพัฒนาไปได้ฌาชนชพปนกิจมีเพ่งเผาเพ่งตรงไหนมันก็เห็นตรงนั้นกาะที่มันดูอยู่มันเป็นสมาธิมันดูแล้วมันรู้ว่าคืออะไรผ่านได้เป็นปัญญามันรถยนต์มีเนิน มีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามีหลุมมีบอ่อแต่ถ้าขับเป็นถึงยุดหมายปลายทางหลบซ้ายนิดหักขวาหน่อยมีคันเร่งมีเบรกมีพวงมาลัยถ้าขับไม่เป็นมันก็นอกจากมันแบกของหนักแล้วมันก็ยังมีปัญหาเนื่องจากการขับเคลื่อนชีวิต ขับเกลื่อนรถยนต์มันขับไม่เป็นมันกระตุกหัวกระแทกหัวที่หัวต่ำออกตัวไม่เป็นมันก็คนนั่งก็เหนื่อยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่เป็นคนนั่งก็อันตรายเบรกไม่เป็นมันก็หัวที่มกระแทกแตกได้อันตรายจันได้ก็เดียว มั ก, กวิถีก็เหมือนกันจิตใจเขาเราจะ ด, ดำเนินสู่การพ้นทุกมันมีหลุมพลางมีกับดักมีแบบทดสอบมีโจทย์ให้นักบวดได้ตอบเช่นเจอความง่วงปฏิบัติละง่วงทำอะไรที่ชอบมันไม่ง่วงเดินไปไหนมาไหนช้อปปิ้งมันไม่ง่วง เดินดูเปิดท้า ย, ายขายของมันไม่ง่วงแต่เดินจงกรมนี่มันง่วงมันบอกถึงอะไรบอกถึงการฝึกการหัดบางทีความคิดมันยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งคิดแต่คนไหนสมาธิดีรู้สึกตัวรู้สึกตัวตั้งมั่นได้เชื่มอมโยงต่อเน่งก็ออกมาจากความคิดแต่จะทาสักพักหนึ่ง นิสัยความเคยชินเก่าๆเคยชอบคิดเรื่องแบบไหนเคยมีจาริตนิสัยอย่างไรบิญญาณบิญญาณคือมันรู้มารู้ทางตาทางหูจมูก ล, ลิ้นกายใจเหมือนกี้เราสังเกตได้ว่ามันใช้ตาบ่อยตาบ่อยเช่นมีโทรศัพท์เล่นอินเทอร์เน็ตใช้ตาบ่อยๆ พอปฏิบัติธรรมันก็จะไปใช้ทางตาในบางทีใช้ทางหูฟังไปทางเสียงบางทีหูก็หลอกตาก็หลอกถึงขั้นหลอนปฏิบัติธรมเนี่ยมันมีการหลอนมันหลอกมันในรูปลอยของความคิดนะเป็นสมาธิอยู่ทางตาหูจหมูกเลี้ยงกายใจเป็นภาพต่างๆซึ่งไม่มีอยู่จริงเป็นนิมิตนะเป็นนิมิต แล้วก็ทำให้เรามืนกับว่าเสียเวลาเนิ่นช้าถ้าไปสงสัยสนใจให้ค่าความคิดการรมที่มันเกิดขึ้นมาระหว่างที่เราปฏิบัติรู้เนื้อรูร้ตัวมันก็ออกนอกทางไปให้ใจมันมีสติอยู่กับกายฝึกใจที่ไม่มีตัวตนเป็นความว่างการปล่อยการวางให้รู้รู้สติคือการรู้รู้อยู่กับร่างกายของเรา ต้องะหัวจรวดเท้าเพื่อศึกษากลไกของร่างกายเราการทํางานของร่างกายเราที่มันเคลื่อนไหวทาดีเคลื่อนไหวทําชั่วเคลื่อนไหวแบบไม่ดีไม่ชั่วมันมีอยู่เราก็จะได้อ่านทอรหัสกายใจของเราจนทั้งเห็นธรรมะเห็นธรรมชาติเห็นความเป็นธรมธรมดาธรรมดานะเป็นกฎของกรรมฐานที่เรากําหนดกฎจิตกฎใจของเรา ให้รู้เนื้อรู้ตัวมันเคยคิดแฉ่ใส่สับสนยุ่งเหยิงฟุ้งซ่านจนก่อให้เราเกิดความกันอยากคิดมันก็ไม่คิดไม่อยากคิดมันก็คิด่มันจะเป็นโรคจิตโลคประสาท ต, ต้องฝึกให้รับรู้อยู่กับปัจจุบันที่ฐานกายการเคลื่อนการไหวแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะ การฝึกตนสอนตนเราก็ฝึกแล้วฝึกอีกมีความเพียรลงไปมีการเห็นที่เห็นถูกลงไปเห็นการเคลื่อนไหวตั้งเป็นปัจจุบันตั้งใจจะเห็นสิ่งนี้เพื่อจะดูว่าประสบการณ์ของการฝึกหัดมาเดินทางอย่างไรเราจะได้ปรับ ปรับเปลี่ยนผ่อนคลายบรรเทแก้ไขทุกกายอย่างงี้ยนะนั่งนานๆเจ็บปวดเมื่อยผ่อนคลายแก้ไขบรรเทามันจะมีประสบการณ์ปวดไม่ต้องทุกข์ก็ได้เจ็บไม่ต้องทุกข์ก็ได้มันเมื่อยไม่ต้องทุกข์ก็ได้มันหิวมันร้อนมันหนาวปวดปัสสาวะอุจจาระไม่ต้องทุกข์ก็ได้บางทีถ้าเราไม่เคยฝึกเลยเห็นว่าหิวขิวข้าวธรรมดาธรรมดาแต่ว่าทําให้ใจลงหุดหงิด มันโย ห, า, หาจิตนะหิวอยู่ที่กายทำให้โมโหหิวเหมือนกล่องกน้อยฆ่าแม่นะอีสานเนี่ยมันมีนิทานกล่องกน้อยฆ่าแมนะ่เราเคยได้ยินได้ฟังมาเราก็นึกว่าเขาพูดเล่นอ๋อมันมีจริงๆกล่องกน้อยฆ่าแม่ก็มีคนก็ไปทานาไถนาอยูนะ่แม่ก็ต้องเอาค่าไปส่งนะพอแม่ข่าวไปส่งมันผิดเวลา แม่อาจข้าวเหนียวไปเต็มกระติบเลยแต่ว่าทำงานมันหิวจนตัวสัน่นสายแล้วแม่ก็ยังไม่เอาข้าวมาส่งพอเห็นแม่เดินมาก็โมโหหิวจนโมโหทำไมมาช้าไปเห็นข้าวอาจใส่กระติบมากระติบนิดเดียวเต่นันเองเอามาให้แค่นี้เหรอโมโหหิวตาลาลยเอากันไถ่ตีแม่จนตาย เราก็ได้ยินในฟังเรื่องแบบนี้ไหมพอตายแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรนั่งกินข้าวให้กินเท่าไหร่ก็กินไม่หมดแม่อัดมันแน่นเลยเนี่ยเต็มกระติปมงกินเท่าไหร่ไม่หมดพอกินเท่าไหร่ไม่หมดก็เออหายหิวหยิ่มจนแน่นท้งองนะอความโมโหหายไปความกรัวหายไปเห็นแม่นอนตายอยู่ไปกอดศพแม่ร้องโหมร้องไห้อารมณ์มันเปลี่ยนไปแล้วไม่ทําตามใจ โกรธแล้วก็ได้ด่ากันโกรธแล้วก็ได้ฆ่ากันตายสุดเป็นไงตายสุดก็โอ้มันก็เป็นความทุกข์เกิดการพัดพปล่าขึ้นมาสานึกได้รู้ผิดชอบชั่วดีตายสุดกต้องสร้างเป็นลณาของทา่ากล่องก็น้อยข่าแม่จกกึงต้องเป็นที่เลิกมาถึงทุกวันเนี่ยหรือว่าบางทีความรักทําให้เกิดเป็นนางโมลาสองใจ ความรักจนกรทังมองโจรหล่อวาสามีตัวเองผัวตัวเองไม่หล่อมองโจรหล่อจันตโคลบไปสู้กับโจรสู้โจรไม่ได้ดาบลนนางโมลายเห็นจันทโครพเพียงพล้ําไปแทนที่จะเอาดาบยืนให้จันตโคลพเอาดาบยืนให้กับโจรโจรก็ได้ฆ่านะ สามีคือนางจันทคูลบเนะี่อ่ไป้นางโมรานะสามีของนางโมรานะ่ะตายตายเสร็จก็ปล่อยนางโมลัยอยู่เฝ้าป่าตายกลางป่ากลายเป็นจนีล่องผัวผัวผัวผัวหาผัวอยู่ในป่าเราก็เคยได้ยินได้ฟังมาเรื่องแบบนี้มันก็เกิดที่เราเนี่ยแหละจริงๆโบราณก็สร้างนิทานเรื่อ ง, ร, อ ง, ร, องราวต่างๆอุปมาอุปไมให้เราได้เห็นตัวเอง ดูหนังดูละกรนย้อนดูตัวเองเห็นเรื่องตัวเองมันแสดงอยู่ตลอดเวลาเวลาไปเดือดทำมีหลายมุมหลายฉากที่มันถ่ยทํำมาไว้มันก็แสดงออกมาเราได้อ่านได้เห็นได้ดูดูแล้วก็รู้จักตัวเราเห็นอารมณ์ต่างๆเกิดให้รูปรอยของความคิดคิดแล้วเกิดอารมณ์การปรุงปรุงแต่งแต่เกิดอารมณ์มันเกิดขึ้นตลอดเวลาเวลาปรงุง ปรงเดียก็เลยอะปุญญาที่สังขารเป็นบุญจิตใจของเรามันปรงไม่ดีก็เป็นอปุญญาที่สังขารเป็นบาประหว่างที่เราเดินทางไปอเรียมากมีองแปะเราก็จะเห็นในความรู้สึกตัวมันมีความไม่รู้สึกตัวในความรู้ ม, มีความหลงตัวมันมีกายมันมีใจมันก็มีอาการต่างๆแสดงออกที่กายที่ใจอาการของจิตของใจนี่มาก แล้วก็ก่อเป็นภพภูมิอะไรที่ทําเป็นนิสัยเป็นลักษณะของลักษณะ น, นิสัยอาจินอาจินทําจะเป็นอาจินอาจินตกรรมกรรมคือการกระทํามีผลนำทั้งดีทั้งชั่วทําจะเป็นนิสัยอาจินเวลานอนหลับก็ฝันนั่นน่ะนิสัยยังไงก็ฝันยังไงน่ะบางทีมันหิวมันเหมือนกับเดินไป ว่าเวไปไหนไม่มีใครรู้จักเลยในความคิดพูดกับเขาก็ไม่ฟังก็ไม่รู้เรื่องเราก็ยิวเราก็หาทิศหาทางกลับบ้านเนี้ยแต่ในความฝันไม่รู้เลยว่าไปอยู่ตรงไหนมันงงมันสับสนมันรู้สึกหวาดกลัวเลยนะเตื่นขึ้นมาน้สกลัวหายใจเต้นลมหายใจเต้นตุบตุบ ต, บตบุมันกลัวลมหายใจ หายใจไม่ทั่วท้องไม่อิ่มหลวอบางทีก็เสีย ใ, ใจเตื่นมาก็ร้องไห้แล้วน้ําตาไหลแล้วก็คืนก็ฝันกลางวันก็คิดนมันมาเมื่อไร่ก็ตามที่ไม่รู้ทตัวหลวงตัวขาสติมันก็มามันมาให้เราได้ใช้เวียนใจกรรมะพวกเนี้ตายสุดเวลาใกล้ตายมันก็เป็นคติกรรมเป็นอาสัญญกรรมขณะยังไม่ตายมันก็ คิดให้เราทุกไม่รู้อยู่กับปัจจุบันให้เราได้หลงเผลอไปเรียกว่าสัมเวสีสัมเวสีนี่มันคิดไปแบบไม่มีจุดหมายปลายทางแล้วแต่มันจะคิดไปตามยถากรรมเคยทํากรรมกรรมคือการการะทําทําอะไรไว้ทางกายวาจาใจมันก็จะไปตามยถากรรมแต่ว่า เมืเราฝึกความรู้เนื้อรู้ตัวนะรู้สึกตัวมันก็จะเป็นกรรมฐานเป็นธรรมชาติทำอะไรก็จะเป็นธรรมชาติวิธีคิดมันก็จะเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ขันห้าก็บริสุทธิ์กายก็บริสุทธิ์การแสดงออกของกายก็เป็นธรรมชาติธรรมดาธรรมดาบริสุทธิ์ต้องนั่งต้องเดินต้องยืนต้องนอนต้องกินต้องกลับถ่ายต้องหายใจต้องกระพริบตาต้องหนาวต้องร้อนเป็นธรรมชาติธรรมดา เราก็เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องอย่างเนี้ยเราเห็นเวลาเราเดินจงกรมเรายกมือสร้างชัว่วเราเจตนาที่จะทํากรรมฐานแต่ว่าตัวหลงพายในเราออกจากกรรมฐานนั่นก็จะมีอยู่มากายเราก็ได้รู้แล้วรู้อีกน่ะเปลี่ยนหลงเป็นรู้ตรงนั้นมันเป็นตัวปัญญาคิดเท่าไหร่รู้เท่านั้นมันเป็นตัวปัญญา ตนีเาเป็นพื้นฐานของชีวิตของเราต่อไปเหมือนการก่อร่างสร้างตึกต่างๆอาคารต่างๆพื้นฐานที่ดีก็ฐานลากฐานลากเราแน่นเข้มแข็งดีถูกต้องก่อนกีดนาเท่าไหร่ใส่เหล็กเสริมกี่มิลลิเมตรเนี่ยกี่เส้นมันก็เกิดม า, าฐานขึ้นมาถ้าเป็นความถูกต้องท้ายสุดมนก็คงทน อาคารไม่สุดจิตใจของเราก็เหมือนกันเมื่อพื้นฐานของจิตเรามีสติมันก็จะเป็นพื้นฐานของชีวิตที่ดีโอกาสที่จะสุดสมไหลสู่ความเสื่อมง่ายยากมันสุดได้ชีวิตของเราถ้าว่าไม่มีสติพื้นฐานไม่ดีการที่จะสร้างชีวิตให้เกิดคุณธรรมต่างๆมันก็ถอยลงไปเรียกว่าบุญใหม่ไม่ทำํำบุญเก่า ใช้เดี๋ยวมันก็หมดเพราะนั้นเราก็ต้องสร้างบุญใหม่ไว้ที่เรามีชีวิตอยู่ถึงทุกวันนี้เนื่องจากบุญเก่าบุญทากรรมแต่งมันช่วยเสริมสร้างนะกรําดีมันช่วยพรยุกต์คำมาไว้บนจูบนคำบนหนุนพวกนะี้แต่ว่าบุญใหม่ต้องทํามาไว้ให้ดีๆวันนี้ต้องสร้างบุญใหม่บุญสูงสุดคือเข้าสู่ของภาวนาใหม่ บนที่เกิดจากจิตตภาวนาหรือว่าพัฒนาจิตของเราให้เกิดปัญญาเฉลียวฉลาดเป็นไว้พิปิภานว่องไวอยู่ตรงไหนก็ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมรู้กาละรู้เทสะรู่ชุมชนรู้บุคคลรู้เขารู้เราหรือว่าการที่เรารู้จักตัวเราเนี่ยนี่สำคัญบางทีเราไม่รู้จักตัวเราแต่เรารู้จักไปนอกตัวเทคโนโลยีนะวัตรกรรมจีโนมิกส์นาโนเทค รูนะ้คนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นนี้ตระกูลุ้นชาติเป็นอย่างนี้แต่เราไม่รู้จักตัวเรานะตอนนี้ตัวเรามีภัยเยอะภัยลน์ในตัวภัยที่เกิดจากความคิดการปรุงกันแต่งมันเป็นภัยที่ทําให้เราลงทิศหลงทางเดินไม่ตรงทิศ ต, ตรงทางเราต้องกลับมาปรับสมดุลนะหรือว่าตั้งศูนย์ของชีวิตใหมนะ่รถนี่ใช้ต้องมีศูนย์ ห้าหมกิโลห้าพันกิโลนะต้องทําอะไรต้องทําให้คืนสู่ปกติของความเป็นรถยานขนส่งภายในจิตใจเราก็เหมือนกันนะจากการที่ไหลหไปสู่ความคิดนะการปรองการแต่งต่างๆคืนสู่ธรรมชาติบริสุทธิ์ก็คือการมีสติรู้ทันความคิดมีสติก็เกิดความเป็นปกติเกิดคลามปล่างขึ้นมาเกิดการไปาวางเกิดความว่างขึ้นมาพอคิดปรับรู้ทัน มันก็เกิการปล่อยวางความคิดมันก็ว่างจากความคิดทันทีอย่างนี้พอมันว่างมันก็เป็นปกติเราก็จะได้เห็นบ่อยๆกายเราใจเรานะเป็นรวัวธรรมเป็นนามธรรมเป็นอาการของกายของใจมันเคยทําให้เรานะเป็นสุขเป็นทุกข์แบบนี้มันเป็นปกติเป็นธรรมาชาตนะิเราก็ใจชีวิตทั้งแร่ตื่นอย่าหลับนใะนความรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเก็บที่นอนหมอนมุง้งแล้วก็จเจริญสติฝึกสติได้ เราเดินไปล้างหน้าแปรงฟันรู้สึกในการล้างหน้าในการแปรงฟันแล้วก็เจริญสติได้เดินมาทําวัดจุดมันก็เป็นการเจริญสติได้มันจึงไม่เลือกนะว่าเราจะต้องไปวัดนั่งห้องพระนั่งหน้าโพธิ์รูปนะหรือว่าปฏิบัติตรงไหนอย่างไรตรงที่กายที่ใจของเรานะ รู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วคือการปฏิบัติธรรมเราก็ฝึกขัดจนกระทั่งเป็นนิสัยขึ้นมานิสัยที่จะรู้แล้วรู้อีกมีตัวเรานะีมีความรู้สึกตัวตั้งแต่หยาบไปอัละเอียดรู้สึกตัวทั่วพร้อมแต่ว่าใหม่ๆมันจะไม่รู้สึกตัวทั่วพร้อมมันจะรู้เป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดหยาบๆก่อนบางทีในกระพริบตาแล้วก็ไม่รู้นะ บางทีเราเคลื่อนไหวเล็กๆเราก็ไม่รู้บางทนะีลมมากระทบที่ตัวเราเราก็ไม่รู้หรือบางทนะีขนาดเราเจตนาเคลื่อนขยับเราก็ยังไม่รู้มันมีคู่แข่งที่แสดงออกมาให้เราได้หลงเผลอไปจากความรู้สึกตัวเช่นความเจ็บความปวดความเมื่อยหรือว่ามีเสียงที่มันเป็นเสียงที่น่าสนใจ หรือบางทีนมันก็จะมีลักษณะอาการต่างๆที่เป็นมลทินเครื่องเศร้าหมองมาแสดงออกมาให้เราได้หลงอีกนหลงแล้วหลงอีกหรือบางทีความไม่รู้ที่มันเคยมีนมันก็ชวนเราหลงนะไปตามจริยนิสัยเก่าๆเราก็ไม่เป็นไรหลงแล้วก็หลงไปแต่ว่าวกลับมาใหม่นกลับมาได้เมื่ อ, อไหร่ก็มีสติเมื่อ น, นั้นะ ไอ้ที่หลงแล้วแล้วก็ไม่ไปข่าครวนหรือว่าไปอดครวนว่ามันคิดทําไมทําไมไมันต้องฟุ้งซ่านทําไมต้องเป็นอย่างนั้นทําไมมันเป็นอย่างนี้ให้เรานะวางทันทีกลับมารู้เนื้อรู้ตัวทันทีคือไม่สนใจให้ค่ากับการเหล่านั้นซึ่งไม่ใช่ลักษณะของสิ่งที่เราทําปฏิบัติทำหรือว่า it, นะิมิตเครื่องระลึรกรู้ของสตินะการเคลื่อนการไหวในรูปแบบสติเช่นว่าการเดินจงกรมหรือว่า ทำยังไงก็ได้เอามือปนะิกคว่พปิกหนายลวด ก, กำปั้นมากระทบเงี้ยนะมากระทบมาทุบนะมันจะรู้สึกตัวรู้สึกตัวได้หนะยาบหยาบหนะ่อยใหม่ๆบางทีราวยานที่จะรู้มันก็ไม่รู้อันนี้ไม่เป็นไรนะเป็นเรื่องของผู้ใหม่นะแต่พอเราทําไปทําไปทําไปนะมันจะชินตรงนี้เราจะเริ่มเห็นว่ามันเกิดการผ่อนคลายสบายเนื้อสบายตัวนะมันเบาเนะบาเนื้อเบาตัว เราจะรู้สึกว่ามันเป็นชีวิตจิตใจของเราที่มันมีพลังมีกําลังใจขึ้นมะมันเคยเหี่ยวแห้งเหี่ยวห่วยนะเคยงุนงนงสงสัยหงุดหงิดนตอนนี้มันเริ่มมันมีกําลังใจขึ้นมาเป็นปกติขึ้นมาได้มันก็คนไข้าหายโรคอะนะมันก็จะรู้ทิศรู้ทางนะว่าเออได้ชีวิตใหม่ขึ้นมาแทนที่มันจะตายไปกับโรคนะมันกลายเป็นว่าฟื้นตัวขึ้นมาได้ การมาอยู่วัดป่าสุโกโตนะผมเลื่อนธรมาเนี่ยมาในเมื่อสิี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะตอนมาครั้งแรกนะมีความสุขอย่างเดียวคือเราเคย อ, อล้หมดเรี่ยวหมดแรงหมดกําลังใจอยู่กับโลกนะวัตถุหนึ่งสองสามมีบุคคลหนึ่งสองสามล้อมหน้าล้อมหลังมีแต่แล้วทำไมเราอยู่คนเดียวมันเกิดหมดกําลังใจขึ้นมาหมดเรี่ยวแรงมันไปต่อไม่ได้ ก็เลยมองเห็นว่าเออการมาหยุดพักผ่อนกายใจของเราเนี่ยที่วัดป่าสุโกโตเนี่ยฟื้นฟูซ่อมแซมรักษาส่วนที่มันสุดโทมลงไปเราฟื้นฟูเพื่อมันมีกําลังใจแล้วก็อยู่ในโลกใบนี้ได้ใหม่มันก็ต้องตั้งลํากันตั้งต้นกันใหม่โดยการมาฝึกให้มีสติรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ในอริยมรรคมีองค์แปดมีสัมมาทิฏฐินะ อย่างนั้นนะมีความเห็นให้ถูกเห็นชอบคำว่ามักนะมักคาแปลว่าทางแล้วอีสานคําว่ามักก็แปลว่าชอบตรงไปตรงมาชอบทําอะไรก็ไปหาสิ่งนั้นเียไปที่ชอบที่ชอบอันนั้นไปตามเจตากรรม็นลักษณะของการเกิดที่เกิดพบ ป, ปูมที่ไม่ดีสัมำเวอสีผุดเกิดขึ้นมาเรียกว่าโอปปาติกะการเกิดจะมีหลายชนิดนะ เจลาพุทธะอันตาชะสังเสตชะโอปปาติกะเกิดในคันเกิดในไข่เกิดในของบุตรของเนา่าเกิดผุดเกิดขึ้นมาโดยไม่มีซากมันมีแต่นามรูปมันไม่มีรูปนามตายไปไม่ต้องเผาตายของเราตายไปต้องเผาเป็นลักษณของมหาพุทธรูปแต่จิตของเรามันเป็น อุปทานยรูปมันสร้างพบสร้างภูมิขึ้นมาก็คือรูปรอยของความคิดที่เราจะต้องรู้เท่ารู้ทันและได้เห็นแน่ๆถ้าตาในคมคมตาที่สามตาสติปัตาปัญญาเนี่ยแหละเราก็จึงกลับมาดูตัวเองกันด้วยตาที่สามตาสติตาปัญญาให้มีประสบการณ์ที่รู้เห็นล่องเห็นรอยไปในจิตใจของเราจะได้รู้จักช่วยตัวเองเป็นเราจะได้ไม่เป็นโลกจิตโลกศาสตร์ในบางทีะ ความคิดมันพาให้เราเสียผู้เสียคนท้ายสุดก็คนที่อุปการแล้วเราก่อนเราอาจจาะอาคตันยูตตอบจทั้งทำมาหากินไปไม่รอดทีเดียวแล้ะเราก็จึงเนีใช้หลักของความรู้เนื้อรู้ตัวสติสีนสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ให้เราดำเนินชีวิตได้ถูกต้องต่อไปจนทั้งถึงเวลาเรียกว่าที่ เราจะต้องเจอทุกคนก็คือทายสุดตายลาลับจากโลกนี้ไปนะแต่ว่าจิตของเรานี่มันตายอยู่ทุกๆค น, นะร่างกายของเริ่มตายครั้งเดียวเกิดจากท้องแม่ตายจากท้องแม่แต่จิตของเรามันเกิดดับเกิดดับเกิดดับที่เลยนะเกิดตายเกิดตายเกิดตายตรงนี้เป็นสาเหตุทําให้เราเกิดคุ้มดีคุ้มร้ายเนะตือนเช้ามาอากาศดีอารมณ์ดีอนี้นะเดี๋ยวพอใส่ๆหน่อยเจอหน้าคน เจอหน้าคนที่เราไม่ชอบก็งุดหงิดขึ้นมาเตือนขึ้นมาอารมณ์ดีนะจิตใจเป็นรุนท้ายสุดกนะ็ไปเจอหน้าคนเป็นบาปพอสักพักหนึ่งก็ดีขึ้นมาเองเจอคนถูกใจเจอเจอคนพูดดีนะเดี๋ยวอา้าวเหี่ยวไปอีกมันก็จะไปอย่างงี้ทั้งวันเลยเราก็กลุ่มดีกลุมลายขาดทุนเป็นวิธิขาดทุนเราจึงจูนปรับมาหาความเป็นปกติ เดินตรงนี้เดินทางสู่การพ้นทุกตรงนี้นะเราก็จึงเหมือนนกันทุกคนไม่เกี่ยวกับมาใหม่ไม่ไม่ใหมนะ่จะเป็นคนเก่าขนาดาษไหนรู้ไม่รู้มันก็ไม่เกี่ยวนะ่ารู้ไม่รู้ศรัทธาไม่ศรัทธานะหมายถึงการปฏิบัติจรรย์สติปัฏฐานนะนะมันมีอยู่ในโลกใบนี้นานแล้วสองพันหะร้อปีที่องค์สมเด็จสมานเจ้าค้นพบนะวันเพ็ญเดือนหกคืนสิบห้าค่ยามสามปีลกา ได้คนพบอาณาปานสติดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกนั่งใต้ตนสีมหาโพธิ์พระแทน่นศิลาอ่านจังเกิดยามสามบรุรุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณรู้แล้วว่าชีวิตมันทุกข์ว่า อ, อะไรมีการแก่มีการเจ็บมีการตายมีการพัดปลากมีการปรารถนาสิงใดม่จริ่งนั้นรู้แล้วว่าทุกข์ว่า อ, อะไรพอความคิดมันไปตีความยึด ปรงปรงแต่งแต่งหลงก็ไปนในความคิดเมื่อไหร่มันก็ทุกมาหนักเห็นแล้วนะจนกระทั่งเห็นมานรพยามารตัวจริงก็คือความคิดนั่นเองจนกระทั่งปล่าประกาศนะจนกระทั่งสองพันปีผ่านมาเมืองไทยก็ยังพูดถึงกันอยู่นะได้ ว, ว่าที่วัดป่าสุขตการฝึกสติจรรย์สติปานญายังมีกลิ่นไอแล้วก็ลองลอยชัดเจนอยู่จริงนะไม่ใช่พุทธศาสนาแบบงงหลงงงงายเลื่อนรอย จับต o องไม่ได้เราสามารถเห็นทันทีทุกครั้งที่รู้สึกตัวตเห็นธรรมะธรรมช า, าติขณะต่อขณะยิง่งยิ่งขึ้นไปจะนั่งเห็นกลไกของไก่ของจิตตัวชีวิ ต, ช, วตชีวาทํางานร่วมกันการคิดการพูดการทําเป็นบุญเป็นบาปเกิดมาจากการมีสติขาดสติอย่างไรตรงนี้แหละมันเหมือนเหมือนกันทุกคนทุกครั้งที่เราเคลื่อนไหวรู้สึกมันมีความเป็นเองกัาลานการที resides, ร่เราผลิตออกมาอยู่ตรงไหนก็ตาม ความรู้สึกตัวนี่มันมีตัวสารพางกายอยากหยาบอย่างยาวก็มีจากยาวก็มีอย่า ง, าาาางละเอียดก็มีไปหาของละเอียดก็คือความคิดอารมณ์ต่างๆเราก็เห็นแล้วเห็นอีกจนชํานาญมันมีความชํานาญตรงนี้มันก็แก้ทุกได้จริงนะบางทีสติมันว่องไวมากสติรู้สติตัวสติที่เป็นนามธรรมการรู้ที่มันรู้การรู้รู้มันมีอยู่น สติที่มันรู้ความเป็นปกติรู้ว่าจิตมันว่างๆว่างๆเป็นาาธรรมชาติที่มันเป็นไหวพิปฏิปันอยู่ในแดนของกรรมฐานมันก็มีรั้ว ร, ร, รอบขอบจิตอยู่ในศีลอยู่ในธรรมอยู่ในวงสายศีลอย่างเงี้ยนะสายศีลคนที่อยู่ในวงสายศีลก็เป็นหมอผีหรือว่าเป็นพระเนนะี่ยก็คืออยู่ในศีลนั่นเองถ้าใครอยู่ในศีลเราก็ปราบผีในตัวเองได้ความเป็นปกตินะเราก็เห็นความไม่ปกติ สิ่งที่มันหลอกหลอนตัวเราเองก็คือความคิดหลอกอยู่ตลอดไปลำเวลาดูหนังดูละครแล้วก็เป็นพระเอกนางเอกทุกเรื่องเมันหลอกตัวเองหลอกว่ารวยหลอกว่าสวยหลอกว่าเก่งมันหลอกตัวเองตลอดการนี้เราอยู่ในความเป็นปกติเราเห็นในสิ่งที่มันหลอกเราอยู่มันเป็นผีคนอื่นหลอกไม่น่ากลัวผีหลอกก็น่ากลัวแต่ตัวเองหลอกตัวเองมันน่ากลัวเราได้เห็นตรงนี้แหละมันจะทําให้ชีวิตของเรามันเจริญเดินทางไปสู่ เป้าหมายถูกทิศถูกทางต่อไปเราจะเลือกในสิ่งที่ควรทําควรพูดควรคิดอย่างนี้นะมันจะเลือกเปลี่ยนต่อไปออกนอกวงสายศินนอกความเป็นปกติมาแล้วมันก็กลายเป็นภพภูมิที่จะต้องระมัดระวังไหลไปสู่ทิศทางที่ไม่ใช่ทางพ้นทุกต่อไปเราก็จึงให้ใจของเรามันไม่สติ กลับมารู้เนื้อรู้ตัวอยู่กัร่างกายของเราที่เป็นตัวชีวิตมีจิตใจของเราอยู่เราก็มือเราเราก็จึงใช้มือของเราเนี่ยอันดับแรกเลยไว้จ๊ะว่าร่างกายของเราคือมือของเราที่เคยทําดีทําชั่วเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนรู้สึกตัวหยุนรู้สึกตัวถ้าเคลื่อนมือเราก็เดินจงกรมอย่างเงี้ยเดินไปเดินกลับวางหน้าวางตามือเราจับกันแล้วก็ วางจิตวางใจวางความคิดให้ดีๆไม่ดำริดที่จะคิดต่อไปความคิดเกิดมากี่เรื่องก็ตามไม่สนใจกลับมารู้เนื้อรู้ตัวฝึกหัดจนทางไปในมาไห น, ม, ไหนมันก็รู้เนื้อรู้ตัวเงียบๆ เ, เราก็จะเห็นความสงบที่มเกิดขึ้นมาปีตีสุขมมีอยู่ในตัวเรามันแสดงออกมาไม่ต้องใช้วัตถุหนึ่งสองสามมันมีอยู่ในตัวเรียบร้อยแล้วความสุข ทุกครั้งที่เป็นปกติก็มีปกติสุขให้เราเป็นชีวิตที่มันไม่มีภาระนะมันเคยมีภาระเรื่องการงานเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องทรับอะไรต่างๆหน้าที่ต้องรับผิดชอบกับสังคมบัดนี้มารับผิดชอบตัวเองมันจะเห็นว่าไม่มีภาระอะไรเนี่ยอิสระทางจิตวิญญาณทุกครั้งที่จิตมันปกติเกิดความอิสระทางจิตวิญญาณจะทําอะไรมันก็เป็นอิสระละเราเนี่ย มันก็จึงเป็นลนักษณะของกำไรชีวิตของเราที่เรามีกำไรชีวิตหายใจเข้าก็มีปกติสุขหายใจออกก็รู้สึกตัวมีปกติสุขเราก็จึงนะอัศาจรรย์มันเป็นความอัศาจรรย์ในชีวิตของเราที่พ่อแม่ก็ไม่เคยบอกเราครูบาอาจารย์ก็ไม่เคยบอกเราวัดข้างๆบ้านก็ไม่เคยบอกเรามีต่เรียอะไรหาเงินหาทองเข้าวัด ทอดพระปาทอดกระิ้นแต่ที่สุขโตนี่มีชี้เรื่องความรู้สึกตัวรู้สึกตัวบอกกันตรงนี้หลวงพ่อกำเขียนด้วหลวงปู่เทียนซึ่งร่วงรับไปแล้วหลวงปู่เทียนนี่เป็นปรมาจารย์ทางด้านการเจรติพิษานอิสานตอนบนเมื่อห้าสิบปีที่ผ่านมานเป็นพระที่ได้รับการยอมรับและปัจจุบันพัญญชนก็สนใจให้คุณให้ค่ากับหลวงปู่เทียน ที่ท่านสามารถประกาศชัดว่าให้ทุกคนออกมาจากความคิดการปรุงกันแต่งวันที่สิบสามกันยายนยังเป็นวันหลวงปู่เตียนวันที่เป็นวันมรณภาพของหลวงปู่เตียนซึ่งล่วงรับไปแล้วห้าสิบไม่ใช่ห้าสิบปีประมาณสามสิบปีแต่ว่าการที่ท่านรู้ว่าให้ออกมาจากความคิดมโหสถเจ็ดพันล้านคนให้ออกมาจากความคิด ท่านได้บอกมาห้าสิปีเต็มๆพระเจ้าได้บอกมาสองพันหกรอปีจนกระทั่งวันนี้เป็นวันของเราเป็นวันที่เราสามารถออกมาจากความคิดองค์การอไมรลกประกาศให้เป็นวันรณรงค์การป้องกันฆ่าตัวตายโลกวันที่1ากันยายนเพราะว่ามันเป็นไยรไา่ของมนุษยชาติที่มนุษยชาติเนี่ยฆ่าตัวตายปีละ มากเหลือเกินวินาทีหนึ่งหลายคนตายด้วยเหตุการณ์อื่นๆแต่ว่าสี่สิบวินาทีเนี่ยเมื่อชาติตายเพราะว่าคิดค่าตัวตายแล้วก็ได้ทำลงไปแล้วก็ตายจริงๆซึ่งเป็นภัยร้ายแต่ละปีะเพียหลายล้านคนตายเพราะว่าค่าตัวเองตายเจอนเจอนัมมี่ในบางปีก็ไม่มีคนตาย นะอุทกภัยวาัตาภัยบางปนะีก็มีคนตายแต่ว่าไม่มากนะอากีภัยนะก็มีคนตายอยู่แล้วนะก็ไม่มากนะอย่างสันติก้าพับอย่างี้นะไทเกอร์ออไทเกอร์อะไรทางใต้ดิสโกเทคนะแล้วก็อีกหลายที่นะทางบราซิลอะไรที่ตายกันเร็วๆเนะีนะ่ยมันก็ตายกันไ่เยอะรวมกลุ่มตาย แต่คนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยยังเยอะอยู่ประเทศไทยจังหวัดระยองในอันดับสองคนฆ่าตัวตายเนื่องจากสังคมครอบกลัวร่มสลายเนื่องจากโรงงานพ่นมลพิษมลภาวะเจ็บไข้ไม่สบายป่วยเนื่องจากเศรษฐกิจมันยุ่งเหยิงสับส น, น, นคนก็เป็นหนี้เป็นสินกันมากมายฆ่าตัวตายกันเยอะแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่าง นะอย่างเช่นเร็วๆนี้ที่ไปงานสพ บ, บ้านพี่ชายนะตอนนี้พี่ชายก็นั่งอยูน่นะิดๆกางๆบ้านงานก่อสร้างเลี้ยงลูกนะไอ้ช่ชางก่อสร้างก็ทำงานกันลำคานโป๊กเป๊กโป๊กเป๊กโป๊กเป๊ ก, ป ก, ปกคนไม่เคยฝึกจิตระรับรู้เรื่องเสียงปั๊บอารมณ์หงุดหงิดนะก่อไปต่อว่าช่างนะเสร็จแล้วเป็นไงมันมาเปินยิงแล้วก็บอกว่าเออลูกช่างพระมาทยิงทิ้ง ตำรวจก็งงเป็ไก่ตาแต่ม่รู้จะจับมือไกลดมอันนี้เหตุการณ์นึงอีกเหตุการณ์ก็สอจอหมูสมเกียรตินพะเกตทำงานก็ติดดี่เสร็จแล้วไปเกลีย่ยในฐานะเป็นผู้ใหญ่เจ้าของโรงงานก็พกปืนยิงมันทุกวันกลางๆบ้านก็รำคาญแล้วก็หวาดกลัวด้วยนะก็กฟ้องสอจอหมูก็ออกมา ก็มาเกลียให้นั่งกินเหล้ากันดีๆไอเจ้าของโรงงานก็ต้อนรับเดีเยวเหล้ามาเลี้ยงซนะอจ่หมูไปกับกำ น, นันพอเอาถั่วมาเสิร์ฟป๊บนะก็ยิงทิ้งฆ่ากันอย่างเลือดเย็นซอจ่หมูกตกยี้ตายอยู่างนั้นและวท้ายสุดกำนันก็ชักปืนไปยิงเจ้าของโรงงานนะไม่ตายไปนอนโรงพยาบาลนะที่โรงพยาบาล ก็รักษาจนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหายหไปนอนที่บ้านพอไปนอนที่บ้านนอนพักพื้นอยู่ก็ตามไปเก็บอีกเหตุการณ์อย่างนี้มันอยู่ในโลกใเนี้มากมายแล้วกันแต่ภัยจากคนอื่นฆ่ามันยังไม่น่ากลัวะแต่ตัวเองฆ่าตัวเองนี่มันน่ากลัวที่สุดนะฆ่าโดยการคิดให้กดให้โลภให้หลงให้ไล่ชังแลนั่นอันนี้เป็นภัยไล่ในตัวก็จึงบอกว่าให้เรากลับมา ฝึกหัดปฏิบัติเจริญสติกันให้มากมากมันจะเป็นเรื่องทีนะ่เราจะต้องช่วยตัวเราเองให้ได้ก่อนเมืนะ่อเราช่วยเราได้เราสามารถที่ช่วยผู้อื่นได้แน่นอนนะเพราะว่าเราเห็นแล้วจากต้นแบบหนะลวงพ่ออมเกียรติอนยะ่างเงี้ยช่วยคนได้มากเหลือเกินะช่วยได้ทั้งโลกเขว่าได้หนะลวงปู่เทียนอย่างเง้ยนะกระดาเป็นคนไทยนะชาวจีนเนี่ยคล้ายกันมากเป็นโลภจิตโลภศาสตร์ตานะยสุดพิธธรในหาย หายจากโรคจิตโรคาสตสาททำงานได้ใหม่และชวนเพื่อนฝูงมาไปปบัติธรรมกันดังทั้งเมืองจีนนะหรือว่าองค์สมเด็จสัมมาเจ้าวันวิสาขาที่มาถึงนี้เป็นที่ยอมรับทั้งโลกเป็นวันความรักของโลกแล้วนะซึ่งฝรั่งบังค่าก็ยอมรับไดเพราะนะยอมรับเรื่องการลำมาสูตรพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้เชื่อนะพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้ร้องขอพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้งงหลงงมงาย ละชั่วทำดีมีอยู่ในทุกๆศาสนาแต่ว่าการชำระจิตของเราให้ขาวรอบตัวนี้มันมีอยู่ในศาสนาพุทธแล้วก็เป็นที่ยอมรับของชาวโลกขนาดนี้เราก็จึงเป็นคนไทยมีศาสนาพุทธมีคมชี้คำบอกตรงไปตรงมาแล้วก็ฝึกหัดปฏิบัติจนทังเราทำได้ทำได้ ได้ที่พึ่งในตัวเรานะมีกายมีใจแล้วเราก็พึ่งกายพึ่งใจของเราได้จริงๆตรงนีนนะ้มันเกิดจากการที่เราเดินตรงทิศตรงทางอายมักมิองแปด้ายสุดมีสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิสูงสุดฌนะานสูงถดคือมีสติแล้วเลอยู่ที่เมื่อกี้เราสรวจกันมีการเลือกรู้มีสติแล้วเลอยู่มีสติแล้วเเลอยู่ตรงนี้แหละมันเป็นมรดกนะ ของมนุษยชาติที่เราจะต้องหยิบจับมาก่อนตายให้ได้ทำที่สุดในกองทุกข์จะได้เหนือการเวียนว่ายตายเกิดเหนือวัฏตาสงสารเนือเหตุเหนือผลนืนหดเหนือถูกเหนือผิดเนือสุขเนือทุกข์ในชาตินี้เราจะทํำองค์ยึดได้อย่างความผ่าสุขที่มัอยู่ในตัวเราและตลอดเวลาเวลานะไม่ต้องลองขอเรียกร้องจากใครทั้งสิ้นทำเอาเองทําเอาเองอ่าตายเหยตโนนาโถ เอาละพูดใหม่ว่าสมควรแก่เวลาก็ขอให้เรานะ่มีความผาสุกมีความผาสุกมีความผาสุกแมีโอกาสที่จะฝึกสกติปัฏฐานสนะี่เนเดินตามรอยบาทพระศาสดาจนทั้งเจริญสติมีสมาธิปัญญาตามสมควรแก่การปฏิบัตินะก็ขอให้เกิดโดยทัวหน้ากันทุกท่านทุกคนทั้นเธอ